8วิธีที่จะทำให้คุณเห็นผีหากคุณมีความรู้สึกว่าวิญญาณอยู่รอบตัวคุณแต่ไม่เคยพบเลยแม้แต่ครั้งเดียวอยากจะลองพบเจอพวกเขาดูสักครั้งหนึ่งเราได้รวบรวมวิธีที่จะทำให้คุณเห็นผีมาไว้ให้แล้วแต่ขอเตือนก่อนว่าเหมาะสำหรับคนจิตแข็งเท่านั้นและที่สำคัญห้ามคุณสติแตกไม่เห็นพวกเขาเป็นอันขาหากคุณพร้อมแล้วไปเริ่มกันเลย วิธีที่หนึ่งมองลอดใต้วางขาวิธีนี้เคยมีคนลองบ่อยมากๆคนที่เห็นนั้นส่วนมากจะเห็นจากพิธีศพในขณะที่กําลังแห่ศพรอบเมนบางคนสามารถเห็นได้เพียงแค่ก้มเก็บกุญแจที่ตกอยู่แล้วเหมือนกับมองลอดวางขาพอดีสิ่งที่เห็นก็ทําให้ตกใจจนแทบช็อกเพราะนั่นไม่ใช่คนถ้าคุณอยากจะลองก็มาเริ่มกันได้เลยขั้นตอนการทําก่อนอื่น ให้นำใบไม้ที่ร่วงจากต้นไม้โดยจะเป็นต้นอะไรก็ได้แต่ต้องร่วงใกล้กับต้นมากที่สุดถ้าอยู่บริเวณรากเลยจะดีมากและขอย้าว่าใบไม้ต้องเป็นใบของต้นนั้นจริงๆหลังจากนั้นให้ยืนหันหน้าไปทางทิศตะวันออกหันหลังไปทางทิศตะวันตกโดยตอนก้มหน้าจะทำให้คุณก้มไปอยู่ที่ทิศตะวันตกพอดีสถานที่ยืนควรเป็นที่โล่งพร้อมกับถือใบไม้ที่เก็บมาไว้ในฝ่ามือ จะทำมือแบบไหนก็ได้แต่ห้ามพนมมือหลังจากนั้นให้หมุนตัวตามเข็มนาฬิกาช้าๆเมื่อมาหยุดที่ที่ตะวันออกเหมือนตอนที่หันหน้าไว้ตอนแรกให้ท่องว่าพุทโธทายะทำแบบนี้ทั้งสามรอบคือหมุนตัวมาหยุดที่เดิมแล้วท่องพุทโธทายะหลับตาลึกถึงต้นไม้กับใบไม้ที่เก็บมาให้คิดว่าใบไม้นี้เป็นเหมือนกับวิญญาณคือได้ตายและร่วงโรยจากต้นแล้ว เราจะต้องติดต่อกับวิญญาณได้โดยผ่านใบไม้ซึ่งเปรียบเสมือนเป็นพลังงานอย่างหนึ่งในการเรียกวิญญาณต่อมาให้คุณค่อยๆก้มหน้าลงระหว่างที่ก้มหน้าห้ามลืมตาเด็ดขาดเมื่อตั้งสติได้แล้วก็ค่อยๆลืมตาขึ้นคุณจะได้เห็นในสิ่งที่คุณอยากเห็นคำเตือนเมื่อเห็นแล้วห้ามวิ่งหนีเด็ดขาดต่อให้สิ่งนั้นจะอยู่ตรงหน้าก็ตาม สิ่งที่ต้องทำหลังจากเห็นแล้วคือเงยหน้าขึ้นแล้วทิ้งใบไม้ลงพื้นทันทีหมุนตัวทวนเข็มนาฬิกาสามรอบโดยไม่ต้องท่องอะไรและเมื่อกลับถึงบ้านไปอยู่ที่อ่างล้างหน้าเตรียมน้ำใสภาชนะแล้วท่องพุโทโธแล้วเป่าลมลงน้ำแล้วล้างหน้าทำแบบนี้สามรอบ ก, ก็เป็นอันสิ้นสุดการเห็นผีวิธีที่สองแงหน้ามองตรงบันได ขอย้ำว่าระหว่างทาต้องอยู่คนเดียววิธีนี้หากคุณทำแล้วอาจจะเห็นวิญญาณที่วนเวียนอยู่ในบ้านอาจจะเป็นญาติผู้ใหญ่หรือเจ้าที่ที่คอยปกปักรักษาบ้านซึ่งพวกเขาก็ไม่ได้จะมาทำร้ายคุณแต่อย่างใดแต่ไม่แนะนำให้คุณไปทำที่บ้านคนอื่นหรือสถานที่อื่นเพราะไม่รับประ ก, กันว่าวิญญาณที่คุณเห็นจะมาคุ้มครองคุณหรือมาทาร้ายคุณกันแน่ เริ่มแรกให้คุณนั่งอยู่ที่บันไดขั้นบนสุดแล้วค่อยๆถัดก้นลงมาทีละขั้นเป็นการลงบันไดทั้งที่ยังนั่งอยู่นั่นเองทำแบบนี้ไปเรื่อยๆจนถึงขั้นสุดท้ายเมื่อถึงขั้นสุดท้ายแล้วให้เงยหน้าขึ้นกลับไปมองขั้นบนสุดแล้วคุณจะได้เห็นสิ่งที่คุณอยากเห็นวิธีที่สาม วิธีทำให้เห็นผีเปรตวิธีนี้มีคนเคยเห็นผีเปรตมีลักษณะตัวผอมเห็นซสี่โครงบางกระบอกตัวไม่เกรียมหัวโตแต่ทุกคนพูดเสียงเดียวกันว่ามันตัวสูงมากที่ว่าสูงเท่ากับต้นตานก็น่าจะเป็นไปได้หากคุณลองแล้วได้เห็นก็อย่าลืมทำบุญไปให้เขาด้วยก็แล้วกันเริ่มแรกเลยให้นำขนมต้มมาผูกไว้รอบเอวตอนเวลาตีหนึ่งให้คุณไปที่วัด แล้วเดินรอบโบสถ์สามรอบโดยเริ่มเดินจากหน้าโบสถ์และมาสิ้นสุดที่หน้าโบสถ์พอดีจากนั้นให้เดินออกไปที่ประตูวัดหลังจากนั้นให้หันกลับมามองที่โบสถ์สิ่งที่คุณจะได้เห็นต้องถูกใจคุณมากมากเพราะเปรดจะมายืนขอกินขนมต้มของคุณไม่ต้องตกใจไปเขาแค่มาขอขนมและขอส่วนบุญเท่านั้นอย่าวิ่งก่อนละ่ะหากเจอเข้าจริง วิธีที่สทาเปลือกตาด้วยดินจากสุสานวิธีนี้มีคนกล้าลองอยู่บ้างเหมือนกันแต่ก็ไม่มากเนื่องจากว่าเป็นวิธีที่น่ากลัวมากๆคุณต้องใจกล้าพอสมควรโดยการไปที่ป่าช้าหรือที่ฝังศพตอนกลางคืนแล้วขุดเอาดินที่ฝังศพนั้นมาทาที่เปลือกตายิ่งเป็นดินที่ลึกมากเท่าไหร่ก็ยิ่งขลังมากเท่านั้นหลังจากนั้นไม่นาน พวกเขาจะมาให้คุณเห็นถึงที่เคยมีเรื่องเล่าว่ามีคนลองวิธีนี้แล้วเห็นผีตามมาหลอกหลอนอยู่ตลอดเวลาถึงขนาดต้องไปหาพระให้ช่วยพระแนะนำให้สวดมนต์แผ่เมตตาให้หลังจากนั้นก็ไม่เห็นอะไรอีกแต่บางคนก็เล่าว่าเคยลองแล้วและยังเห็นอยู่จนถึงปัจจุบันเลยทีเดียวแต่ถ้าคุณอยากเห็นก็ไม่ต้องสวดมนต์ก็ได้นะแล้วคุณจะได้เห็นพวกเขาตลอดกาล วิธีที่หเล่นผีถ้วยแก้ววิธีนี้มีคนทดลองเล่นกันมาหลายคนหลายยุคสมัยเป็นวิธีคลาสสิกมากมากทีเดียวอาจไม่ได้เห็นวิญญาณในขณะเล่นทุกครั้งแต่ก็สามารถสื่อสารกับพวกเขาได้แต่มีเรื่องเล่าจากคนที่เคยเห็นเหมือนกันซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นคนที่ลบหลู่หรือไปเล่นในที่ที่น่ากลัวมากๆเช่นป่าช้ามีเรื่องราวหนึ่งเล่า ว, ว่าในระหว่างที่เล่นผีถ้วยแก้วอยู่นั้น จู่ๆทุกคนก็เห็นมือเหี่ยวๆเข้ามาร่วมจับแก้วด้วยเมื่อทุกคนหันไปก็เห็นชายแก่ร่วมเล่นกับพวกเขาด้วยเท่านั้นเองทุกคนต่างวิ่งหนีไปคนละทางแต่คนที่เห็นผีแล้วก็จะต้องเห็นตลอดไปลองคิดดูให้ดีก่อนที่คุณจะเล่นผีถ้วยแก้วเพราะหากคุณได้เห็นผีแล้วล่ะก็เขาจะมาให้คุณเห็นไปจนตายมาเริ่มพิธีกันเลยอันดับแรกจุดธูปเก้าดอก เพื่อขอเจ้าที่ให้เปิดทางเพื่อเราสามารถเชิญวิญญาณคนตายให้เข้ามาได้หลังจากนั้นนำแก้วที่มีควันทูบอยู่ข้างในคว่มบนตารางสำหรับเล่นผีถ้วยแก้วตั้งจิตและสมาธิให้มั่นจากนั้นใช้ปลายนิ้วแตะที่ขอบแก้วแล้วผู้เล่นทุกคนต้องท่องพุทธโธทายะโดยไล่จากคนแรกท่องคำว่าพุทธคนที่สองโพเรียงกันไปเรื่อยๆแบบนี้จนครบสามรอบ หลังจากท่องจบให้กล่าวเชิญดวงวิญญาณว่าถ้ามาแล้วให้ไปที่คำว่าพักเมื่อวิ ญ, ญญาณเข้ามาที่แก้วแล้วแก้วก็จะขยับไปที่พักทันทีหลังจากนั้นก็เริ่มถามคำถามที่อยากรู้จากวิญญาณตนนั้นจะถามอะไรก็ได้แต่ระวังจะไปถามอะไรที่เป็นการลบหลู่เข้าละ่ะหลังจากเล่นเสร็จให้ทำการอัญเชิญวิญญาณออกจากถ้วยแก้วโดวยเชิญให้เขาไปที่พักเหมือนเดิมอย่าลืมหงายแก้วขึ้น และหักทูบทั้งหมดด้วยวิธีที่ 6. เล่นซ่อนหาตอนกลางคืนวิธีนี้มีคนเคยลองบ่อยและบางกลุ่มก็เล่นกันโดยรู้เท่าไม่ถึงการก็มีเนื่องจากเป็นเด็กวิธีการเล่นซ่อนหาตอนกลางคืนนั้นไม่ต่างจากการเล่นซ่อนหาทั่วไปคือมีกลุ่มเพื่อนและมีคนหนึ่งเป็นคนหานอกนั้นเป็นคนแอบ ถ้าหาเจอคนนั้นก็ต้องยอมออกจากที่ซ่อนแต่ถ้าเล่นซ่อนหากันตอนกลางคืนมีความเป็นไปได้มากว่าคุณอาจจะหาเพื่อนไม่เจอเพราะโดนผีบังตาก็อาจจะเป็นได้เคยมีเรื่องเล่าของคนคนนึงว่าสมัยเด็กได้ไปเล่นซ่อนหากับเพื่อนตอนกลางคืนปรากฏหาเพื่อนไม่เจอหนึ่งคนจนกระทั่งไปพบว่าเพื่อนคนนี้อยู่ในสภาพตาค้างท่าทางตกใจสุดขีดเหมือนเจออะไรบางอย่าง หลังจากนั้นไม่นานเพื่อนคนนั้นก็เสียชีวิตไม่รู้ว่าในขณะที่ซ่อนอยู่นั้นเข้าไปเห็นอะไรเข้าหรือเปล่าแล้วคุณละ่ะอยากเห็นบ้างไหมวิธีที่7ผ้าหอ่อศพวิธีนี้เป็นวิธีที่น่ากลัวมากและหากคุณคิดจะลองต้องทำทุกอย่างให้ถูกต้องและห้ามลบหลู่คนตายเป็นอันขาดแต่ทางที่ดีอย่าลองเลยจะดีที่สุดเพราะคุณอาจเป็นรายต่อไปที่ต้องใช้ ผ้าหอ่อศพผืนนั้นวิธีนี้ทำได้ในวันพระใหญ่เท่านั้นโดยให้หาผ้าหรือเสือสำหรับห่อศพคนตายจริงๆเพื่อ น, นำมาห่อตัวเองแล้วนอนหลับไปโดยสถานที่ที่จะนอนนั้นต้องเป็นลานเผาศพป่าช้าหรือสถานที่ที่เคยมีคนตายโดยต้องนอนหันหัวไปทางทิศตะวันตกใช้ใบไม้ปิดตาและท่องสุ ป, ปิดนานังทั้งหมดสามจบหลังจากนั้นเปิดใบไม้ออก แล้ววิญญาณทั้งหลายก็จะปรากฏกายให้คุณได้เห็นหลังจากทําพิธีเสร็จเรียบร้อยให้รีบเผาผ้าห่อศพนั้นทันทีไม่งั้นวิญญาณจะตามหลอกหลอนจนคุณอยู่ไม่เป็นสุขแน่นอนวิธีที่ 8. องอมเหรียญคนตายวิธีนี้เคยมีคนลองทามาหลายคนแล้วและก็ทําให้บางคนโดนผีตามหลอกหลอนจนเป็นบ้ามาแล้วก็มีดังนั้นขอเตือนว่า หากไม่ใจกล้ามากพอแล้วก็อย่าลองเลยจะดีกว่าเพราะว่าผีนั้นจะตามคุณไปตลอดชีวิตโดยขั้นตอนไม่ต้องมากมายอะไรแค่นำเหรียญจะปากคนที่ตายโหงเท่านั้นมาใส่ไว้ใต้ลิ้นของตนแล้วท่องสุ ป, ปินานังสามจบจากนั้นกลั้นหายใจและก้มมองใต้วางขาคุณจะเห็นวิญญาณทันทีหากคุณจิตใจไม่เข้มแข็งพอคุณอาจจะเสียสติไปก็เป็นได้ หากคุณอยากที่จะเห็นผีกล้าหรือเปล่าลองเลือกสักหนึ่งวิธีที่ได้ฟังไปทดลองดูสิคุณจะได้เจอกับผีหรือวิญญาณที่อยู่รอบๆตัวคุณอย่างแน่นอน ้าคุณชอบเรื่องนี้กรุณากดถูกใจและกดติดตามด้วยนะครับ